ศาสนาพุทธแตกต่างจากศาสนาอื่นหลายศาสนาก็คือเราเชื่อว่าชีวิตเนี่ยของเราแต่ละคนมันขึ้นอยู่กับกรรมแปลว่าการกระทำของเรานะไม่มีพระเจ้าจะดนบันดาลนะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าผมลิขิตนะจะมีก็แต่กรรมลิขิตนะ แต่กรรมนี้เนี่ยก็หมายถึงเจตนานะเจตนาในการที่จะทำอะไรสักอย่างนะอย่าไปเข้าใจหมายถึงพลังลึกลับบางอย่างนะที่มันผลักดันหรือโดนบันดาลชีวิตเรากรรมนี้ก็หมายถึงการกระทำของเรานะดีชั่วอยู่ที่ตัวทำนะสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวนะดีชั่วก็ที่ก็อยู่ที่เรานั่นแหละ ว่าเราทําตัวอย่างไรจะสูงจะต่าก็อยู่ที่ว่าเราทําตัวอย่างไรนะไม่เกี่ยวกับว่าชาติตระกูลนะไม่เกี่ยวกับวันณะ น, นะอันนี้กฎแห่งกรรมเนี่ยมันก็มีหลักง่ายๆนะเป็นพื้นฐานเลยนะว่าทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะ ดีในที่นี่ไม่ได้แปลว่าร่ำรวยนะหรือว่ามีโชคมีลาบนะอันนี้มันไม่เกี่ยวกันนะก็เหมือนว่าปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงอ่ะส่วนปลูกมะม่วงแล้วจะรวยหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งปลูกยางก็ได้ยางแต่ว่าจะรวยหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับราคาตลาดทำดี ในบางสังคมก็อาจจะไม่รวยนะแต่ว่ามีความสุขทำชั่วในบางวงการก็จะรวยเอารวยเอานะแต่ว่าต้องไปชดใช้น ะ, ะชดใช้กรรมเช่นต่อไปก็จะติดคุกติดตารางหรือว่านะไปะชดใช้คือเกิดความทุกข์เกิดความลำบากใจขึ้นมา พูดถึงการทำดีหรือกรรมดีเนี่ยนะทำดีได้ดีก็จริงนะแต่ว่าไอ้ตอนทำเนี่ยอาจจะมีความยากลำบากอยู่บ้างเช่นอยากจะช่วยเหลื อ, อธรรมชาติก็ไปปลูกป่าไปปลูกป่านี่มันเหนื่อยนะขณะที่คนที่อยู่บ้านสบาย หรือว่าคนที่ไปเที่ยวช้อปปิง้งเที่ยวห้างก็ดูมีความสุขคนหนึ่งทำดีแต่เหนื่อยอีกคนหนึ่งไม่ทำเลยนะแต่ว่าสบายเนี่ยนะอันนี้มันเป็นไปได้นะเวลาเวลาคนไปปลูกป่าทำดีแล้วเหนื่อยเนี่ยอย่าไปคิดว่ า, เ, าเขากำลังใช้กรรมนะจริงๆเขากำลังทำกรรมดี แต่กรรมดีนั่นแหละก็จะส่งผลนะเป็นความสุขหรือว่าประโยชน์สุขในภายภาคหน้าหรือว่าอาจจะเกิดประโยชน์ในขณะนั้นเลยก็ได้เช่นเมื่อเขยไปปลูกป่านะเขากําลังฝึกลดละความเหก่ตัวหรือว่าเขาทาแล้วเขามีความสุขระหว่างที่ปลูกไปก็มีความสุขไปกายเหนื่อยนะแต่ใจสุขนะ ให้เราเวลาอาได้ยินว่าทําดีได้ดีเนี่ยนะมันไม่ใช่แปลว่าทําความดีแล้วจะสบายทันทีนะมันก็ต้องนะเหนื่อยในตอนแรกบ้างนักเรียนที่ขยันเรียนน่ะย่อายามเหนื่อยกว่านักเรียนที่ขี้เกียจนะนักเรียนที่ขยันเรียนก็ต้องนะ่ะอ่านหนังสือนะ่ะ บางทีอ่านตื่นมาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าก็อ่านหนังสือเวลาทำการบ้านนี่ก็ไม่ไปเที่ยวไหนก็ต้องเรียกว่าตรากตรานะครับการเรียนส่วนเด็กขี้เกียจเนี่ยสบายนะทำการบ้านก็ไม่ต้องทำไปลอกเขานะไอ้ความสบายแบบนี้ไม่ได้แปลว่าเกิดจากการทำดีนะ ความสบายแบบนี้เพราะว่าเกิดจากการที่ไม่ทำอะไรนะหรือเกิดจากการทำชั่วด้วยนะเช่นไปลอกการบ้านเขาหรือไปขโมยสมุดการบ้านเขาไปส่งมีนะเนี่ยมีนักเรียนบางคนขโมยสมุดการบ้านของเพื่อนไปแล้วก็เอาหมึกเอาเอาอลบชื่อนะลบชื่อของ เจ้าของเราก็ใส่ชื่อตัวเองแทนส่งครูอย่างนี้สบายไหมสบายอันได้คะแนนไหมบางทีก็ได้คะแนนนะแต่ว่าอย่างนี้ไม่ใช่เป็นผลของการทํานะกรรมดีนะอันนี้มันเป็นกรรมชั่วแต่ว่ากรรมชั่วที่แรกเนี่ยทำแล้วสบายไม่เหมือนกับทําดีที่แรกเนี่ยอาจจะลําบากอาจจะเหนื่อยนะแต่ว่าผลผลดีหรืออ่า อั น, นิสงฆ์เนี่ยมันจะตามมาภายหลังอส่วนคนทํากรรมชั่วหรือว่าคนที่ทุจริตสบายทีแรกนะแต่ว่าลําบากภายหลังเ <c oughs> วลาเห็นเขาสบายเนี่ยคนทํากรรมชั่ว <c oughs> เส็นเขาสบายเนี่อย่าไปคิดว่ากฎแห่งกรรมไม่มีจริงนะ <c oughs> หรือไปคิดว่าโอ้ที่เขาสบายนี่เพราะเขากําลังอ่าเป็นเพราะเขาเคยทําดีในชาติที่แล้วนะ ชาตินี้เขาเลยสบายอยันนี้คนไทยเราเนี่ยเข้าใจเรื่องการผิดเพี้ยนมากเลยมีเพื่อนคนหนึ่งนะลา ง, งานนะงานก็ดีนะแต่ลา ง, งานเนี่ยไม่ใช่ลา ง, งานทิ้งงานเลยมาดูแลแม่ที่เป็นอัลไซเมอร์นะตอนนั้นแม่ก็เกือบเจ็ดสิบแล้วเธอเป็นลูกคนสุดท้องนะ พี่ๆก็ขอร้องสนับสนุนให้ให้เธอเนี่ยมาดูแลแม่เต็มตัวเพราะว่าพี่ก็มีครอบครัวกันทั้งนั้นก็รับปากไว้จะส่งเงินมานะให้น้องนะเป็นค่าดูแลเป็นค่ารักษาพยาบาลแม่ค่าอยู่ค่ายาค่าอาหารแล้วก็รวมทั้งค่าใช้จ่ายนะเพราะว่าเธอทิ้งงานมาเลยนะมันก็ต้องมี อ่าค่าใช้จ่ายมีเงินติดกระเป๋าบ้างก็ทีแรกก็ราบรื่นดีนะแต่ว่าตอนหลังผ่านไปหลายปีเงินที่ช่วยเหลือของพี่ๆก็ค่อยๆน้อยลงหรือว่าไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ยิ่งตอนหลังรายจ่ายมากขึ้นเพราะว่าแม่นี่นะช่วยตัวเองไม่ค่อยได้นะ ก็ต้องมีคนงานจ้างมาเพิ่มเพื่อ ม, มาช่วยยกขึ้นเตียงหรือว่ายกลงจากเตียงนะคนเดียวทำไม่ไหวก็ไปขอเงินพี่สาวพี่สาวก็อิดออดนะไม่ค่อยให้เธอก็ลำบากมากขึ้นเรื่อยเรืยเหนื่อยก็เหนื่อยนะอยู่กับคนไข้24ชั่วโมงแล้วอาลไซเมอร์นี่ดูแลยากกันนะเพราะว่า บางทีไม่รู้เรื่องนะกินข้าวก็ไม่กินนะเวลาจะพาอาบน้ำก็ก็ต่อต้านนะเพราะว่าความจำเลอะเลือนละไม่รู้เรื่องแม้แต่ลูกตัวเองจำไม่ค่อยได้ก็เหนื่อยทั้งกายใจก็เหนื่อยเพราะเครียดและแถม เ, เงินก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่บางทีบ้าน หลังคารั่วไปขอเงินพี่สาวก็ไม่ยอมให้ น, ะ น, นั่นก็เริ่มมีปัญหานะพี่สาวนะก็มาหาแม่บ้างก็เฉพาะวันแม่พอถึงวันแม่ก็มากราบนะไม่รู้ว่ากราบอกหรือกราบเท้านะแต่ถึงกราบท้าเนี่ยนะมันก็ไม่มีความหมายถ้าว่า หลังจากนั้นก็หายไปเลยนะบางคนได้กราบเท้าแม่ก็รู้สึกภาคภูมิใจว่าเราว่าเราก็ตันอยู่นะแต่วันอื่นไม่มาเลยอันนี้มันก็ก็ไหลยอยู่นะอันนี้น้องสาวนี้เขาก็มีความทุกข์มากเขไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนแทนที่จะให้กำลังใจนะกลับบอกว่าเนี่ยที่เธอเหนื่อยเธอลำบากเนี่ย ด, ดูแลแม่มาดูแลแม่มาสิบปีเนี่ยก็เพราะว่าชาติที่แล้วนี่คงทําอะไรไม่ดีกับแม่เนี่ยนะชาตินี้ต้องมาใช้กรรมส่วนเพื่อนเนี่ยอส่วนพีนะ่ที่เขาสบายเนี่ยนะเป็นเพราะเขาทำกรรมดีในชาติที่แล้วชาตินี้เขาเลยสบายน้องสาวฟังแล้วก็งงเลยนะว่าเอทําไมเป็นอย่างงี้นะอาตมาฟังก็งงเหมือนกันนะว่าเอาเดี๋ยวนี้เราเข้าใจเรื่องกรรมแบบนี้กันเชียวหรอนะ คนที่เหนื่อยเพราะทำกรรมดีนะกลับถูกมองว่ากาลังใช้กรรมที่ไม่ดีในชาติที่แล้วส่วนคนที่ไม่ดูแลแม่นะจะเรียกว่าไม่มีความกตัญญูต่อแม่ก็ได้ก็เลยสบายแทนที่จะมองว่านี่เป็นผลของการที่ไม่ทำหน้าที่นะกลับมองว่าเออชาติที่แล้วก็ทำดี ชาตินี้ก็เลยได้สวยผลกรรมที่ทำดีเอาไว้กลายเป็นว่าคนทำดีนะถูกมอเป็นการใช้กรรมส่วนคนไม่ทำดีไม่ทำหน้าที่คนมองว่าดีฮะนะเพราะว่าเขาทำดีมาก่อนในชาติที่แล้วอันนี้มันเป็นความเข้าใจที่ผิดเพี้ยนแล้วนะ คนไทยนี่โดยพระชาปนี่เดี๋ยวนี้แยกไม่ออกระหว่างการทำดีกับการใช้กรรมการใช้กรรมเนี่ยหมายความว่ามันจำนจำเป็นจำใจต้องต้องทำเช่นติดคุกติดตารางเนี่ยนะอันนี้ไม่มีใครอยากติดหรอกไม่มีใครเลือกนะแต่ว่าจำจำเป็นนะอันนี้เรียกว่าใช้กรรมเพราะว่าอาจจะไปลักขโมยเขานะหรือว่าไปฆ่าคนตายเนี่ย หรือว่าคนที่พิการเพราะว่ า, าขับรถเมาชนต้นไม้เงี้ยไ อ, อ้ความพิการนี่ไม่ได้สมัครใจเลยนะอันงี้เรียกว่าใช้กรรมแต่การที่ใครสักคนเนี่ยช่วยเหลือจะเป็นการช่วยดูแลแม่หรือว่าช่วยสามีภรรยาที่เจ็บป่วยแต่แทนที่จะทิ้งนะก็ดูแล มีนะมีมีสามีที่ดูแลภรรยาที่ป่วยเป็นมะเร็งนะอุตส่าห์เช็ดเขี่ยวเช็ดยี่อ่าเช็ดอ่าเช็ดขี้เช็ดเยวให้นะแล้วก็ทำหลายอย่างนะงานการก็ทำนะก็ยังต้องมาดูแลอ่าภรรยาเพื่อนบ้างก็บอกเนี่ยเขากำลังใช้กรรมนะเพราะว่าชาติที่แล้วคงทำไม่ดีกับภรรยาไว้ แทนที่มอนี่ยเขากำลังทําดีนะเพราะว่าเขาสามารถจะเลือกได้ว่าจะทําหรือไม่ทําจะทิ้งก็ได้แต่เขาไม่ทิ้งการที่เขาเลือกที่จะดูแลภรรยาเนี่แสดงว่าเขากำลังทําดีนะส่วนเพื่อนคนที่ว่าเมื่อกี้นี่ก็เหมือนกันนะเขาก็เลือกได้เหมือนกันนะว่าเขาจะดูแลแม่หรือไม่นะ เขาเลือกได้ว่าเขาจะกลับไปทำงานก็ได้นะแต่เขาไม่ไม่เลือกเขาเลือกที่จะดูแลแม่เป็นเวลาสิบปีจนก้าทั่งตอนนี้ก็ห้าสิบแล้วแต่เขาก็ยังทำอยู่นะอย่างนี้เรียกว่าเขากาลังทำดีแต่ว่าเพื่อนนะซึ่งก็ไม่ใช่มีคนเดียวนะเดี๋ยวนี้ความคิดแบบนี้ก็มีมากขึ้นว่าเวลาใคร ใครทําดีเนี่ยเป็นหมอเขาใช้กรรมแทนที่จะส่งเสริมแทนที่จะอนุโมทนาแทนที่จะให้กําลังใจกลับไปเหมือนกับซ้ําเติมเขานะเพราะว่ามันก็ว่าที่เขากลังทําอยู่ที่เขากำลัง ท, ทําทอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นเพราะถูกลงโทษจากการที่ทํากรรมไม่ดีในชาติที่แล้วอันนั้นก็แย่แล้วนะคราวนี้พี่สาวเนี่ยซึ่งไม่ดูแลแม่เนี่ยแทนที่จะมองว่าเออนี่พี่สาวกําลังละเลยหนะ้าที่กําลัง ไม่ทำความกตัญญูรู้คุณแทนที่จตำหนินะกับหมอเออเขาดีนะเขากาลัง น, นี่เป็นเพราะเขากำลังได้รับผลบุญจากกรรมที่กรรมดีที่ทำเอาไว้ในชาติที่แล้วอันนี้เรียกวเพียนละนะทำไมถึงมองกันแบบนั้นนะอันนี้เข้าใจเป็นเพราะว่าเดยวน้ชาวุดไทยเรามองว่า เวลาใครลำบากเนี่ยนะก็ฟันธงเลยนะว่าเป็นเพราะกำลังใช้กรรมถ้าใครสบายสบายก็สรุปว่าเป็นเพราะเขากาลังได้รับอนิสง์ของกรรมดีที่ทำในชาติที่แล้วคือเรามองว่าการความความลำบากเป็นของไม่ดีพอเรามองความลำบากเป็นของไม่ดีเนี่ยนะก็ไปมองว่าก็เลยสรุปว่าเป็นเพราะทำความไม่ดีเอาไว้ในชาติที่แล้วอันนี้ก็ เทียบกับเด็กนะที่เมื่อกี้พูดเด็กที่เขาขยันเรียนแล้วเขาเหนื่อยนะเขาอดหลับอดนอนทํารายงานนะอ่านหนังสือเตรียมสอบเนี่ยกับคนที่ไม่ขยันเรียนขี้เกียจนะทุจริตนะไม่ทําการบ้านไม่ทํารายงานตัดแปะเอาส่งครูหรือลอกการบ้านคนถึงส่งครูคนนี้สบายเวลา เด็กที่เขาเหนื่อยเนี่ยพราะเขาทํางานเขาเรียนหนักเนี่ยก็ไม่มีใครน่ะจะบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยกําลังใช้กรรมนะชาติที่แล้วเด็กคนนี้ทํากรรมไม่ดีไว้ชาตินี้เลยต้องต้องเรียนหนักนะส่วนอีกคนหนึ่งนี่ชาติที่แล้วทํากรรมดีไว้นชาตินี้เลยสบายไม่ค่อยไม่ต้องเหนื่อยกการเรียนนะเราคงจะไม่พูดแบบนั้นนะ พรอะม่เห็นชัดๆอยู่แล้วว่าที่เขาเหนื่อยที่เขาลำบากเพราะเขาทำความเพียรไอ้ที่สบายนี่เป็นพ่อขี้เกียจนะซึ่งเป็นของไม่ดีอันนี้เรารู้นะแต่เวลาทำไมนะคนที่เขาดูแลแม่นะดูแลแล้วเขาเหนื่อยลำบากผู้คนบอกว่านี่เขากำลังใช้กรรมนะทำไมไม่มองว่าเขากาลังทากรรมดีเป็นกรรมเป็นความดีที่น่าสรรเสริญนะ ส่วนน้องอส่วนพี่นะที่สบายนะไม่ต้องมาดูแลแม่แทนที่จะหมอวันนี้เขากำลังละเลยหน้าที่นะไม่กระตันยูนะกับหมอเออเขาดีนะอันนี้เนี่ยมันเป็นสะท้อนถึงความเข้าใจที่ผิดผิดพลาดคลาดเคลื่อนนะของชาวพุทธอ่ซึ่งตอนนี้มีจำนวนมากนะคิดแบบนี้ได้ยินมาอ่า หลายกระแสนนะอย่างที่เล่าเนี่ยคนที่เขาดูแลสะดูแลภรรยาอย่างดีนะถึงแม่เหนื่อยยังไงก็ดูแลก็ไปว่าเขากาลังใช้กรรมเนะนี่ยนีไอ้อะไรเนี่ยเวลาใครเหนื่อยใครยากเนี่ยนะหรือว่ามีความลำบากนี่เรามักจะหลายคนก็จะหมอเนี่ยเขากาลังใช้กรรมนะบางทีเจ้าตัวก็คิดแบบนั้นด้วยซ้ำนะ ในการทำความดีนะคือการประกอบเหตุส่วนการรับกรรมหรือใช้กรรมเนี่ยก็คือการรับผลนะการประกอบเหตุกับการรับผลนี่มันต่างกันเยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ชาวพุทธเรามองแยกแยะไม่ออกและที่น่ากลัวก็นั้นคือว่าแยกแยะไม่ออกระหว่างการทำดีกับการละเลยการทำดีหรือแยกไม่ออกระหว่างการทำดีการทำชั่วเนี่ย อย่างตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยชี้ให้เลยนะว่าเดนแย่ไม่ออกแล้วคนทำความดีก็หาว่าเขาใช้กรรมหรือว่ามีนย่าว่ากำลังถูกลงโทษนะจากกรรมไม่ดีในชาติที่แล้วส่วนใครที่ละเลยหน้าที่ไม่กระตันอยู่พ่อแม่นะก็กลับมองเป็นเรื่องดีเลยอันนี้มันเข้าข่ายมิจฉาทิฏฐิแล้วนะและเดี๋ยวนี้เราก็สบอะง่ายๆบางคน แต่ก่อนค้าขายได้เจริญนะได้อมีคนมีลูกค้าเยอะตอนหลังค้าขายไม่ค่อยไม่ค่อยดีเจ้าตัวก็สงสัยแล้วไอ้ น, นี่เรากำลังใช้กรรมหรือเปล่านะหรือว่าเรากำลังโดนเจ้ากรรมนายเวเล่นเล่นงานหรือเปล่านะเพราะว่าช่วงที่เขามีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยใครเดือดร้อนเขาก็ช่วยนะ บทีช่วยเงินบ้างบางีช่วยให้คําแนะนําบ้างอันนี้เป็นความดีนะแต่ว่าพอเขาธุรกิจเขาย่ําแย่ลงคนมาซื้อน้อยลงเขาสงสัยแล้วเป็นเพราะว่าเจ้ากรรมในเวงของเพื่อนคนที่เขาแนะนําคนที่เขาให้ความช่วยเหลือเนี่ยมันมาเล่น ง, งานเขาแทนหรือเปล่าอคิดแบบนี้ก็เยอะนะคนที่ไปคิดว่าเวลา ลำบากเหนื่อยยากเนี่ยเป็นเพราะว่าเจ้ากรรมในเวรมาเล่นงานไปช่วยคนน้นไปช่วยคนนี้จนทั่งเขาสบายเจ้ากรรมในเวรของคนนั้นคนนี้ก็เลยมาแก้แค้นเขาแทนคนที่คิดแบบนี้เนี่ยนะเด็กนี้ก็มีมากขึ้นผลที่ตามมาคือว่าต่อไปก็ไม่อยากช่วยใครลพระพอช่วยใครแล้วเดี๋ยวเจ้ากรรมในเวรของ คนนั้นจะมาเล่นงานเขาอันนี้มันก็สะท้อนเห็นถึงความคิดนะว่าเวลาใครลําบากใครเดือดร้อนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าถ้าไม่ใช่เป็นเพราะกรรมที่ไม่ดีในชาติที่แล้วก็เป็นเพราะโดนเจ้ากรรมในเวลเล่นงานซึ่งสองอย่างนี้ก็สัมพันธ์กันนะเพราะว่าเจ้ากรรมในเวก็คือคนที่เคยถูกเอาเปรียบถูกกระทํานะถูกลังแกในชาติที่แล้วนะชาตินี้ก็เลยมาแก้แค้นมาตอบมาตอบโตนะ้ก็เป็นเรื่องของกรรมในอดีตเหมือนกัน ความคิดแบบนี้ก็เรียกว่าอันตรายเหมือนกันนะเพราะว่าต่อไปก็จะไม่กล้าไปช่วยใครใครเดือดร้อนนะเป็นหนี้เป็นสินหรือว่าเจ็บป่วยหรือว่าประสบอุบัติเหตุก็ไม่กล้าไปช่วยเพราะไปคิดว่าไอ้ น, นี้เขเป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นเพราะเจ้ากรรมในเวรเล่นงานหรือเป็นเพราะว่ า, าทาไม่ดีในอดีตชาติ คนไทยเราเดือนนี้เนี่ยนะที่อ้างตัวเป็นชาวพุทชาวพุทธเนี่ยเด๋ยนนี้เป็นเชื่อเรื่องอดีตชาติมากนะคือถ้าใครประสบความทุกข์ยากเนี่ยนะก็ไปเหมาว่าเป็นเพราะกรรมในอดีตในทำนองเดียวกันใครที่มีความสุขความสบายก็ไปเหมา่าเป็นเพราะกรรมในอดีตเหมือนกัน อันนี้เป็นความคิดที่ผู้เจ้านี่ไม่สนับสนุนนะผู้เจ้าตัดด้วยซ้ำว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความคิดนอกพุทธศาสานาลทัทธินอกพุทธศาสานามีสามอย่างอันที่หนึ่งก็คือความเชื่อว่าสุขทุกข์ในปัจจุบันเป็นเพราะการดลบันดาลของพระเจ้านะอันที่สองเนี่ยสุขทุกข์ในปัจจุบันเป็นเพราะว่ากรรมในอดีตชาตินะอันที่สามสุขทุกข์ในปัจจุบันเป็นเพราะว่าไม่มีสาเหตุนะ คนที่เชื่อในข้อสองนี้เยอะมากนะสุขหรือทุกข์ในปัจจุบันนี่ก็ไปโทษว่าเป็นเพราะอาดีตชาติหมดเจ็บป่วยก็เพราะกรรมที่ไม่ดีในอดีตชาติหรือเพราะเจ้ากรรมในเวรกรรมธรรมแต่ไม่ได้ดูว่าปัจจุบันาชาติเราทำอะไรไปบ้างเช่นกินเหล้าสูบบุหรี่เยอะหรือว่ากินอาหารไม่ระมัดระวังกินตามใจปากจกนกระทั่งเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเบาหวานนะ หรือว่าพิการเพราะว่าไปขับรถชนต้นไม้เพราะเมาไม่นะคนพิการแล้วบอกว่าเนี่ยโอ้ฉันทํากรรมไม่ดีในอดีตอดีตชาติชาตินี้ก็เลยมาใช้กรรมอันนี้เข้าใจผิดละใช้กรรมจริงนะแต่เป็นการใช้กรรมเพราะทําไม่ดีในปัจจุบันเช่นไม่มีศีลข้อห้าเนี่ยนี่เราต้องสํารวจตัวเราเองนะว่าอที่เรานับถือพุทธศาสนาหรือมีความเชื่อเรื่องกรรมเนี่ยมัน มันตรงตามที่ผู้เจ้าสอนหรือเปล่านะคนที่เขาเป็นหนี้เป็นศินนะมันอาจจะไม่เกี่ยวกับกรรมในอดีตเลยนะเป็นกรรมในปัจจุบันเช่นไม่ไม่ระมัดระวังในการใช้เงินนะหรือว่าวางแผนการเงินผิดพลาดอถ้าเกิดเราไปช่วยเขานะช่วยเขาช่วยฟื้นฟูเขาจนกระทั่งเขากลับมาลืมตาอ้าปากได้เงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะ ไม่ต้องกลัวเจ้ากรรมนายเวรนะเพราะว่าไอ้ที่เขาแย่นี้มันไม่เกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรเลยมันเป็นเรื่องการกระทําของตัวเองล้วนๆนะความประมาทบ้างความเผลอเรอบ้างคนที่เจ็บป่วยก็เหมือนกันนะเขาจะเจ็บป่วยเพราะว่ า, าการอไม่รักษาตัวไม่ดูแลตัวเองหรือเป็นเพราะกินอาหารที่มันมีพิษพระเจ้าตรัสว่าสาเหตุวามเจ็บป่วยเนี่ยนะ มีหลายสาเหตุนะเช่นมีดีเป็นสมุดฐานมีลมเป็นสมุดฐานมีเสมหะเป็นสมุดฐานหรือเป็นเพราะอาหารเป็นเพราะอากาศเป็นเพราะการบริหารกายที่ไม่ถูกเป็นเพราะถูกผู้อื่นมากระทำํำหรือเป็นเพราะผลกรรมไอ้ผลกรรมนี่หมายถึงผลกรรมในอดีตนะก็ไม่ปฏิเสธนะว่าผลกรรมในกรรมในอดีตก็มีผลต่อปัจจุบันได้แต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยเดียวมีเหตุปัจจัยเยอะนะ ในเวลาเราใครเจ็บป่วยเนี่ยก็จะไปคิดว่าเป็นเพราะเขาทํากรรมไม่ดีในอดีตชาติแต่จะเป็นกาเป็นผลจากการไม่บริหารกายนะเป็นผลจากการที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นโทษต่อร่างกายเช่นมีมลพิษเยอะเนี่ยนี่ไปช่วยเขาให้หายเจ็บหายป่วยเนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งสําควรทำนะ แต่เดี๋ยวนี้นี่ก็มีการสอนกันในหมู่หมอพยาบาลว่าอย่าไปช่วยคนที่ใกล้าตายนะเพราะว่าเกิดช่วยให้เขาไม่ตายขึ้นมานี่เจ้ากรรมในเวนี่ของคนนั้นจะมาเล่นงานเราความคิดนี่มันผิดพลาดมากเลยเพราะว่าที่เขาป่วย จ, จะไม่ใช่เป็นเพ่อเจ้ากรรมในเวนหรือสองถึงมีถึงเจ้ากรรมในเวนมีจริงไปช่วยเขามันก็เป็นบุญเป็นกุศลที่ควรส่งเสริมควรอนุโมทนา ต่อไปถ้าสอนกัมากๆนะว่าต่อไปอย่าไปช่วยใครที่กำลังจะตายนะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้ากรรมในเวรจะมาเล่นงานมันก็ทําให้คนไทยนี่กลายเป็นคนที่ไม่มีน้ําใจเห็นคนประสบอุบัติเหตุกำลังจะตายเนี่ยก็ไม่ช่วยเขาเพราะไปคิดว่าเจ้ากรรมในเวรของคนนั้นจะมาเล่นงานเราคนจะตกน้ําก็ไม่ช่วยเพราะคิดว่าเนี่ยที่เขาตกน้กํากล้จะตายเพราะว่าเจ้ากรรมในเวร คนกำลังจะถูกคมคืนก็ไม่ช่วยนะเพราะคิดว่าเนี่ยที่เขาเจอแบบนี้เพราะกําลังใช้กรรมนะหรือว่ากาลังเจอเจ้ากรรมในเวรแล้วต่อไปเมืองไทยจะเป็นยังไงนะก็กลายเป็นมิจฉาสินีหรือเป็นกลายเป็นเมืองนรกนะเพราะว่าคนไม่มีน้ําใจนะอี่นี่ตอนเดือนนี้ก็ขยายมไปถึงขั้นว่าแม้กระทั่งพ่อแม่นี่การไปดูแลพ่อแม่เป็นการใช้กรรมอีกแบบหนึ่งนะ แทนที่จมองเออเป็นความกตัญญูนะชาวผู้เรานี้ให้ความสาคัญความกตัญญูมากการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยการเลี้ยงดูท่านในยามชราเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นบุญเป็นกุศลมากเนี่ยแต่ทีนี้ชาวผู้เราจํานวนไม่น้อยมองว่านี่กําลังใช้กรรมและวนะแล้วต่อไปใครใครใครนั่นอยากจะไปดูแลพ่อแม่เพรากลัวว่า เ, เดี๋ยวจะถูกมอเป็นการใช้กรรมไป นะคนไทยเราเดี๋ยวนี้มีทัศนคติที่มองว่าความลําบากนะเป็นเรื่องไม่ดีแต่บางที่อาจจะเกิดจากความเพียรก็ได้จะเกิดการทําความดีก็ได้ใครที่สบายนั่งเล่นนอนเล่นมองว่าดีนะอันนี้คงเป็นอิทธิพลของวัตถุนิยมบริโภคนิยมนะที่มันแพร่หลายมากขึ้นนะใครรวยก็มองว่าเขาดีใครใครที่ไม่รวยหรือจนก็อาจจะมองว่าเขาไม่ เขากำลังทํากรรมไม่ดีเอาไว้ทางที่เขาอาจจะทํากรรมดีก็ได้อย่างอนาธิปิฏกเนี่ยก็เป็นเศรษฐีแล้วก็ช่วยคนช่วยเหลือพระศาสนามากจนกระทั่งยากจนนะอันนี้มันไม่เกี่ยวกรรมในอดีตชาติหรือมันกเกี่ยวกรรมในปัจจุบันแล้วเกิดจากการให้ทานนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีน่าอนุมโมทนาพระเจ้าก็สรรเสริญ ที่จริงก็ไม่ได้จนมากนะก็เพียงแค่พกกรรมมาพออยู่พอกินเท่านั้นแหละจากคนที่เป็นมหาเศรษฐีมาพออยู่พอกินมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่ชาวพุทธเราเนี่ยนะเราพูดเรื่องกฎแห่งกรรมพูดเรื่องกฎแห่งกรรมเยอะนะแต่ว่าพอามเข้าใจผิดพลาดนี่มีเยอะมากนะจนกระทั่งทําให้กลายเป็นไม่ทําความดีหรือว่าละเลยการทําความดีนอกจากจะไม่ช่วยคนที่เดือดร้อนแล้วเนี่ยแม้กระทั่งพ่อแม่เอง ที่เจ็บป่วยก็เริ่มจะไม่ช่วยแล้วนะเริ่มจะทำตัวเหมือนกับพี่สาวของเพื่อนคนนี้นะก็คือว่าก็ใช้ชิตไปตามปกตินะแม่ป่วยยังไงก็ไม่สนใจให้แต่เงินนะแล้วก็ให้ตามตามใจชอบนะไม่ได้ดูว่ามันมีความจำเป็นที่ต้องให้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะว่า ในขณะที่อคนปฏิบัติธรรมกันมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าความเข้าใจผิดเรื่องกฎแห่งกรรมมันก็มากขึ้นไปด้วยเพื่อนคนที่คนที่แนะนําหรือบอกเพื่อนว่าเนี่ยเธอกําลังใช้กรรมนะที่ดูแลพ่อแม่เนี่ยคนนี้ก็เป็นคนสนใจธรรมะนะหลายคนพอสนใจธรรมะแล้วนี่ความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมนี่ผิดเพี้ยนหนักกว่าเดิมอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าไป ได้รับคําสอนคําคําแ น, นนะนําที่มันผิดพลาดกันมาเรื่อยๆเนะดี๋ยเพราะการกลัวลําบากนะพอกลัวลําบากก็เลยไม่กล้าทาอะไรนะจะทําดีก็กลายเป็นเรื่องการนะกลัวว่าจะกลายเป็นการใช้กรรมหรือว่าเป็นการทําให้เจ้ากรรมนายเวรโกรธนะอันนี้ต้องต้องระมัดระวังมากนี้ข่าวกระจายข้าเขื่อนมีเยอะนะแม้กระทั่งเรื่องการทําบุญ เวลาจะเอาทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้ก็มีคนสอนมีคนแนะนําว่าอย่าอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้นะให้ใครมากนัก น, นะอย่าไปอุทิศให้กับสรรพสัตว์หรือว่าเทวดามารพลมมากนะเพราะว่าเดี๋ยวบุญกุศลของเธอจะน้อยลงนะยิ่งให้ยิ่งยิ่งหมดนะสอนกันแบบนี้ก็มีนะไอ้แซ ว, วไม่เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาเลยนอกจากไม่เข้าใจแล้วยงังแสวงความเห็นแกบตัวด้วย ก็คือว่างกแม้กระทั่งบุญนะไม่ยอมให้อันนี้เป็นเพราะว่าไปเคลียบุญเหมือนกับเงินนะคือว่าให้ยิ่งให้ยิ่งหมดนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยบุญกับเงนินต่างกันเยอะบุญนี่ยิ่งให้ยิ่งได้นะมนมีบุญชนิดนึงเรียกว่าปฏิทานน้ำไมปฏิทานน้ำไม้คือบุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนกุศลไปให้แปลว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะแล้วคนที่สอนว่าอย่าไปให้ ออุทิศบุญกุศลให้คนอื่นมากเนี่ยนะอันนี้สวาวไม่เข้าใจนะเรื่องบุญในพุทธศาสนาซึ่งเป็นคำสอนพื้นฐานเลยแล้วก็มีความเห็นกับตัวเป็นเจ้าเรือนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ยอมให้ไม่ยอมแบ่งปันนะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะว่าไอ้ความเข้าใจผิดเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็มาในมันก็แทรกซึมเผยแพร่ในหมู่ชาวพุทธมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งการ ทำดีกลายเป็นของไม่ดีไปการทำดีการทำไม่ดีกลายเป็นของดีไป